บุคคลโสดาบันตามนิยพุทธพท์เพื่อเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลโสดาบันที่ถือว่าสำคัญขอนาบาลีที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระโสดาบันมาแสดงไว้บางส่วนดังนี้คำเรียกคำแสดงคุณลักษณะและวัยพ์ต่างๆของบุคคลโสดาบัน พระพุทธเจ้าตรัสว่าสารีบุตรพูดกันว่าโซดาโซดาโซดาเป็นอย่างไรโซดาในที่นี้ท่านวงเล็บไว้ได้วยคำว่ากระแสพระสารีบุตรทูลตอบว่าพระองค์ผู้เจริญมักมีองค์แปดอนอริยานี่แลเป็นโซดากล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิถูกละสาวรีบุตรทรงรับรองว่าถูกต้องและทรงถามต่อว่าพูดกันว่าโสดาบันโสดาบันโสดาบันเป็นอย่างไรพระองค์พูดเจริญผู้ใดประกอบด้วยมัสมีองค์แปดอนารยานี้ ผู้นี้เรียกว่าเป็นโซดาบันโซดาบันนั้นเรียกขานกันได้ว่าท่านที่ชื่อนี้โคดนี้ถูกละสารีบุตรทรงรับรองว่าคำตอบนั้นถูกต้องอริยสาวกผู้นี้จะเรียกว่าทิฏฐิสัมบันคือพู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือมีสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์ก็ได้ ทัศนะสัมบัณ์ผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะคือมีสัมมาทัศนสมบูรณ์ก็ได้ผู้มาถึงสัตยธรรมนี้แล้วก็ได้ผู้เห็นสัตยธรรมนี้ก็ได้ผู้ประกอบด้วยเสขยานก็ได้ผู้ประกอบด้วยเสขวิชาก็ได้ผู้บรรลุธรรมโสดคือถึงกระแสธรรมก็ได้ อริยชนผู้มีปัญญาที่เจาะจงสัจ ธ, ธรรมได้ก็ได้ผู้ยืนชิดอมริตตวารคืออยู่ติดประตูอมตะก็ได้เฉพาะคําว่าทิฏฐิสัมบัญและทัศนสัมบัญ น, นั้นใช้ลำพังแทนโสดาบันบ่อยมากอาริยชนผู้มีปัญญาที่จะเจาะสัจธรรมได้ปลาจาก อริโยนิเพธิกาปัญโยซึ่งอาจแปลว่าอาริยชนผู้มีปัญญาชํ้แรกหรือทะลวงกิเลสหรือผู้มีปัญญาที่จะแก้ไขตัวหรือปลดเปลื้องตัวได้หรือมีปัญญาที่จะไม่ติดอริยสาวกผู้มีสุตตะผู้ได้พบเห็นอริยชน ผู้ฉลาดในอริยธรรมฝึกดีแล้วคือสุวินิตะในอริยธรรมผู้ใดพบเห็นสัตว์บุรุษฉลาดในสัพุริสธรรมฝึกดีแล้วในสัพุริสธรรมเป็นผู้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังธรรมทั่วหมดแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วหมดข้อที่จะต้องถามหรือปราศจากข้อเคลือบแคลง ถึงความเป็นผู้กล้าวกล้าไม่ต้องเชื่อคนอื่นในคำสอนของพระศาสดาบางแห่งข้อความต่างไปจากนี้เล็กน้อยเป็นผู้ทำตามคำสอนคือศาสนากรหมายถึงทำถูกต้องตามคำสอนแท้จริงปฏิบัติตรงต่อโอวานข้ามความสงสัยได้แล้ว ในคําสอนของพระศาสดาและบางแห่งยังต่างไปอีกเล็กน้อยเป็นผู้ดได้ที่ยัางได้ที่ตั้งตัวได้ความโล่งใจหรือเบาใจหายทุกข์ร้อนกังวลในธรรมวินัยนี้ข้ามความสงสัยได้ในคําสอนของพระศาสดา แห่งว่าอริยาสาวกผู้มีผลมาแล้วคือบรรลุธรรมผู้รู้ศาสนาแจ้งชัดอีกแห่งว่าถึงความแน่ใจในตถาคตเป็นผู้เห็นอมตะประจักษ์แจ้งอมตะธรรมอีกแห่งว่าเป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาคือไม่มีทางตกต่ำเป็นผู้แน่นอนแล้วเดินหน้าสู่ความตรัสรู้